เทระขอเจริญพรการโยทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามแล้วนะสำหรับการสำปะงามลสาสังขารของหลวงพ่อซึ่งเป็นที่เคารพรับของพวกเราทุกคนอย่างที่พวกเราก็คงจะสังเกตนะว่างานนี้นะแตกต่างจากงานศพทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นของพระหรือของขรรค ญาติยโยมเพราะว่าไม่มีการสวดอพิธธรรมอย่างที่เราคุ้นเคยที่จริงบลงพ่อก็ได้ระบุไว้นะว่าสวดอพิธธรรมแต่ว่าให้แปลด้วยหรือมิฉนั้ น, นก็สวดทำระจับกรลตาสูรแล้วก็ให้แปลด้วยเช่นกันเพื่อให้ ทั้งผู้สวดแล้วก็ญาติโยมจะเข้าใจความหมายของธรรมะขั้นสูงคุณพ่อท่านได้ระบุไว้ในในพิัยกรรมว่างานของท่านที่จะให้ท่านเนี่ยขอให้มีศาสนาพิธีแต่พอประมาณแต่ให้เนนศาสนัธรรมให้มากๆนอกจากการสวดแปล อย่างที่เราได้ร่วมกันสาธยามาสักครู่แล้วมีพิธีหลายพิธีที่ไม่ปรากฏในนานนี้เ mm hmm. ช่นการทอดผ้าคำสุคุณหลายคนก็จะสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีถ้าตอไม่ง่าหคือว่าหลวงพ่อไม่ได้ระบุเอาไว้แต่ถ้าจะอธิบายให้มากกว่านี้ mm hmm. ก็ต้องถามต่อไปว่า ที่อยากจด้มีทอดผ้าของสุขุนเพื่ออะไรส่วนใหญ่ก็บอกว่าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วมรับใช่ไหเมื่เราจัดงานศพให้ใครก็ตามให้คนรักของเราแล้วก็อยากจะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วมรับแล้วก็พิธีอันหนึ่งที่เราเชื่อว่าจะอุทิศกุศลให้กับผู้ที่ร่วมรับได้ก็คือการทอดผาของสุขุนซึ่งเป็นสังฆทานอย่างหนึง่ง แต่ว่าพลวงอของเราอาตมาเชื่อว่าถ้าไม่ได้ต้องการบุญกุศลใดๆจากใครอีกแล้วเพราะว่าท่านเรียกว่าเหลือบุญเหนือบาปไปแล้วผกุยักคือว่าท่า น, นไปดีแล้วไม่จำเป็นต้องอาศัยบุญหรือส่งไปมีแต่พวกเราทนั่นแหล ะ, ะที่ยังต้องอาศัยบุญนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำบุญนะก็คือทำเพื่อตัวเราเองไม่ใช่ทำเพื่อลุพ่อลุงพ่อท่านไม่มีความจำเป็นแล้วสำหรับบุญที่เราจะที่ให้ท่านถ้าจะทำบุญก็ทำเพื่อตัวเราเองและการทาบุญเพื่อตัวเราเองนั้นเนี่ยนะก็ทำได้หลายวิธีโดยไม่จงเป็นต้องถวายทานก็ได้เช่นการฟังธรรม การฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญนะเรียกว่าธรรมะสาวนัใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมหรือว่าถ้าหลายท่านจะปฏิบัติด้วยจัดเจริญภาวนาด้วยก็เป็นบุญเรียกว่าภาวนาใหม่คือบุญที่เกิดจากภาวนาแต่ ก, ก็จารบุญจะต้องเกิดจากการให้ทานอย่างเดียวอันนั้นก็ได้บุญเหมือนกันเรียกว่าทานน้ำใหม่แต่ว่าเป็นบุญชั้นต้น มีบุญที่ประเสริฐกว่านั้นประนีกว่า น, นั้นเนะช่นภาวนาใหม่เพราะว่ามันเป็นการประธรามที่สามารถจะพัฒนาจิตเปลี่ยนใจของเราได้เจริญการเจริญกรรมาฐานนะก็เป็นการทําบุญที่ชาวพุทธเรามักจะมองข้ามเราคิดแต่เรื่องการให้ทานและเราคิดว่า มีแต่การทำบุญด้วยการให้ทานเท่านั้นก็เลยเรียกติดปากว่าทำบุญให้ทานหรือว่าต้องเล่งพร ะ, ะเรืยกว่าทำบุญเล่งพระแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีบุญที่สูงกว่า น, นั้นประเสริฐกว่า น, นั้นเภาวนาหมา่หรือว่าการทำความแท้ตรงเรียว่าทิฏชุกรรมซึ่งเป็นบุญประการที่สิประการสุดท้ายของบุญเกียรติวัตถุสิประการ เราจะทำความให้รงได้อย่างไรนะก็จากการฟังธรรมจากการเสวนาสนทนาธรรมแล้วก็จากการปฏิบัติที่เรียกว่าภาวนาหรือแม้แต่กินแค่เรามาทิจารานาะจากสิริสังขารขอลพ่อแล้วเกงดเึ็ความไม่เที่ยงของสังขาร ย้อนมาที่ตัวเราว่าสักวันเราก็จะต้องจากไปสิ่งลงเหมือนกันถ้าเป็นแค่นิจณาแบบนี้เราก็ได้ถุนแล้นเพราะว่ามันทำให้เราเกิดความไม่ประมาทในชีวิตมันทำให้เราเห็นถึงความเป็นอนิจจังไม่กิรังของสังขารไม่ใช่แค่ความไม่กิรังสังขารของสังขารหลวพ่อเท่านั้นแต่ว่ามันรวมถึงความไม่กิรังของสังขาร ที่เรียกว่าตัวเราด้วยพิจารณาเช่นนี้แล้วนะเราก็จะได้บุญเพราะว่ามัช่วยทํำให้เราเกิดความไม่ประมาณทําให้เราผลัดหวนในการทําความดีทําให้เราใส่ใจในการที่จะพัฒนาฝึกฝนตนยิ่งถ้าเราได้มาทราบว่าได้ลงรู้ว่าหลวงพ่อนั้นเนี่ยเมื่อยาที่ท่านป่วยนะท่านก็ป่วย แต่กายแต่ว่าใจท่านเป็นปกติและเมื่อท่านนอนนับผ้าสิ้นลมก็เป็นอาการจากไปอย่างสงบไม่ได้มีความทุรนทุรายเป็นการจากไปที่เรางดงงามมากแม้ว่าลูกศิษย์ลูกหาจะเสียใจนะแต่ว่าก็ได้เห็นภาพที่ประทับใจอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตัวเองนะแต่ว่าได้สัตับฟัง รวมทั้งมีประจักษ์พยานอยู่นะอยเช่นข้อความที่หลวงพ่อได้เขียนไว้ก่อนที่จะสิ้นลมไม่กี่นาทีนะเขียนว่าอย่างไรนะเขาเขียนไว้เป็นลายมือที่เราเห็นตรงด้านฝาหือนอรรมนั่นคือลายมือที่ท่านได้เขียนไว้นะก่อนที่จะสิ้นลมไม่กี่นาทีเขียนว่าอย่างไรนะพวกเราขอให้หลขลวง่อตาย ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าท่านอยากจะตายนะไม่ใช่เป็นอาการของคนที่สิ้นหวังกับชีวิตนะแล้วก็หรือคนที่ทุรมทุรายมีคนจำนวไม่น้อนที่เนี่ยที่ป่วยแล้วก็มีทุกขเวทนาบีคันมากแล้วก็ขอให้ลูกหลานปลดสายปลดพ่อเพราะว่าทุกทรมานเหลืเกินหรือบางคนก็อยากจะให้หมอเนี่ยช่วย จบชีวิตของตัวเองเพราะว่าทรมานมากจบชีวิตด้วยการฉีดยาหรือว่าทำให้ให้ทําให้หลับเฉลยก็ได้อย่างที่เร า, เ, าเรียกว่าการุดยาฆ่ามีคนต้องการแบบนี้เยอะจากหมอจากลูกหลานเพราะว่าคนความทุกข์ทรมานไม่ไหวแต่หลวงพ่อไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นที่เขียนข้อความจะไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยแ ต, แต่ท่าน นึกถึงลูกศิษย์ลูกหานะที่ตอนนั้นกาลังชุลมุนที่พยาามทำทุกอย่างเพื่อให้หลวงพ่อมีลมหายใจแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนเนื้อเนี่ยมันก็บวมแล้วก็มันปิดหลอดลมหรือว่าขุดท่อหายใจมากขึ้นทุกทีซึ่งไม่มีทางที่จะรักษาเยวยยาได้แต่ะที่ลูกศิษย์ลูกหาที่ดูแลก็พยายามที่จะ ทำทุกอย่างก็ที่จะทําได้หลวงพ่อท่านคงเห็นว่าคงนึกเห็นใจพวกเรานะก็เลยบอกให้พวกเราเนี่ยอย่าให้พวกเราปล่อยวางก็เลยเขียนข้อความนี้ท่าน้าที่ตอนนั้นท่านหายใจได้ลำบากมากแล้วท่านเขียนข้อความที่เสร็จแล้วก็ท่านก็ประนมมือนะท่านยืนให้กับ ผู้ดูแลนะคืออาจารย์โนธและท่านก็ประนอมเลยซึ่งท่านก็ทำเช่นนี้ทุกครั้งในเวลาที่รู้สิษุลกหาทำการราชการพยาบาลท่านอภิ ก, าการรมทำอภกรรกับท่านเป็นการแสดงความขอบคุณใครที่รู้จักหลงพ่อความเกียนนี้ก็จะรู้ว่าการประนอมเลของท่านทำได้ง่ายมากทำโดยไม่มีอาการของความปเมื่อถตัว ท่านเจอลูกศิษย์ลูกหาท่านขอบันนมือไหว้ก่อนเลยนะลูกศิษย์ลูกหาหลายคนบอกว่าเนี่ยไหว้ไม่ทันท่านตั้งใจว่าจะไหว้ท่านแต่ท่านไหว้ก่อนท่านไม่มีความถือตัวในเรื่องนี้เลยแล้วก็เวลาลูกศิษย์ลูกหาดูแลท่านสม ร, กรักดิ์สิทธิท่านเร็จท่านก็จะขอบุญนิการอันนุนและ ว, วันนั้นเวลานั้นท่านก็พนมเหมือนกัน แต่ลูกสิกเข้าใจว่านี่เป็นธรรมดาของท่านที่จะมาขอบคุณแต่ที่จริงแล้วสาระในยะมีซ้อนขึ้นมาอีกก็คือว่าเป็นการอันลาอานมือไม่ใช่แค่ขอบคุณแต่ว่าอันลาแล้วทา่านก็หลับตาแล้วก็สิ้นหลังจากนั้นชั่วครู่ถ้าเราได้เรียนรู้รับทราบ ถึงวินาทีที่ท่านรัสังขารเนี่ยก็ชื่อว่าเราจะเกิดความไม่เพียงประทับใจแต่จะรู้สึกว่านี่แหละคือทางที่เราควรจะเดินตามหุวพ่อไปก็คือเมื่อยังมีลมหายใจยังมีชีวิตก็มีสติต อยู่ด้วยความรู้สึกตัวอย่างที่หลวงพ่อสอนและเมื่อป่วยก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยมีสติ ม, มีความรู้สึกตัวเป็นเครื่องอยู่และเมื่อถึงวินาทีที่จะต้องลาสังขารก็จากไปอย่างสงบท่านได้วางได้ทําเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราเมื่อเราพิ จ, จรารณาเช่นนี้แล้ว ก็ควรที่จะตั้งเท้าว่าเมื่อวันนั้นมาถึงเราก็จะพยายามทาให้ได้อย่างนั้นแน่นอนเราอาจจะทําไม่ไดอ้อย่างท่านหรือว่าดีอย่างท่านแต่ว่าหาาว่าเราอยากทำให้ใกล้เคียงที่สุดเป็นความตั้งใจที่จะเดินตามท่านไม่ใช่เรียนแบบท่านนะแต่ว่าเดินตามท่านด้วยการฝึกฝน อย่างที่ท่านได้ครั้งสอนได้ทำเป็นแบบอย่างก็คือการมีสติ ค, ความรู้สึกตัวฉะนั้นตลอดพิจารณาแังนี้เราจะได้คุได้คุณสมมากจากการมาที่นี่นนไม่ใช่เพียงแค่บรรคารวัสสิริลัณ์ของท่านแต่ว่ายัางได้ธรรมะกลับไปเพื่อจะเป็นเครื่องนงทางในการดเนินชีวิตทั้งในยามอยู่ จ่างป่วยและในยันที่ต้องลักจากโรงนี้ไปหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยไม่มีอะไรที่จะให้กับพวกเราได้ดีได้ประเสริฐเท่าธรรมะที่ท่านสอนที่ท่านแสดงทำให้ดูดทำไม่เห็นแล้วก็เป็นแบบอย่างหลวงพ่อ ความเคียเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่า น, นั้นอยู่ด้วยความสุขตัวหลายคนอาจจะคาดหวังสิ่งที่มันหรือหวาพิสดารจากหลวงพ่อเวลานึกถึงหลวงพ่อในฐานะที่เป็นอาจารย์กรรมฐานหลายคนก็นึกถึงหรือคาดหวัง ว่าท่านจะมีวิฏฐิปฏิหารท่านจะมีความสามารถพิเศษทางจิตเช่นอภินยาสามารถที่จะทายใจนั่งทางในหรือว่ามีความสามารถในการทาสิ่งที่เหนือมนุษย์ใครที่คาดหวังอย่างนี้จากหลงก็อจะไม่มีคนได้พบ เพราะว่าจริงนะแท้จริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านต้องเรียกว่าไม่เอาสิ่งนี้เลยที่ท่านไม่เอาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่รู้เรื่องพวกนี้หลวงพ่อรู้เรื่องพวกนี้ดีเพราะว่าท่านเคยเป็นหมอธรรมก่อนที่จะมาบวชท่านเป็นหมอธรรมมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดจนถึงจนถึงอายุสามอายุสามสิบิบสามปีเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นแค่ชาวนาไม่ใช่เป็นแค่ช่างก่อสร้างแต่ว่าท่านย่ง เป็นหมอธรรมท่านกคลุกครีกับเรื่องศัยศาสตร์เรื่องเวทมนตร์เรื่องคาถารักษาคนเจ็ป่วยด้วยมนต์ด้วยคาถาหาของหายให้เจอด้วยกันนั่งทางในเรื่องศัยศาสตร์นะเรื่องคาถาอาคมเนี่ยหลวงพ่อนี่ท่านเชี่ยวชาญชํานาญมาตั้งแต่เป็นคารุขันเป็นคาราว่า แต่พอได้มาพบธรรมจากการปฏิบัติตามแนวทางที่หลวงพ่อเทียนได้สอนท่านก็พบเลยว่าธรรมะที่เกิดจากวิปัสสนาอันนี้มันสูงส่ ง, สงมันประเสริฐที่สุดแล้วท่านบอกว่าพอได้มารู้ธรรมเนี่ยเรื่องสายสาที่มันจืดไปเลยมันจืดไปเลยนะ ไม่มีสเสน่ห์ไม่มีอแรงดึงดูดกับท่านต่อไปท่านหวานหลก็พ่อไปจากกรรมฐานที่เคยผ่านเรื่องเวรมนคาถามาก่อนที่จะมาบวชขณะที่บางคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตอนมีคารวะก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรือว่าไม่มีความรู้ความมาบวชแล้วเนี่ยค่อยมาเอาดีทางนี้เอาดีทางเวรมนคาถา ทางสดอกคพรองทางทำพึ่งหลังของทั้งครั้งจะดูพ่อนเนี่ยมาในทางตรงข้ามก็คือว่าเคยเชี่ยวชาญเคยจัดเจเลิกพุทธิมาก่อนเสร็จแล้วท่ า, านก็วางเพราะท่านรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่กระเสริฐเท่ากับธรรมะจะว่าไปแล้วเนี่ยการที่เห็นทำรู้ทำเนี่ย มันเป็นปฏิหารยิ่งกว่าวิธิปฏิหารปฏิหารในพุทธศาสนาเนี่ยมีสามอย่างอย่างง่างคือวิธิปฏิหารนะคือความสามารถที่ทําให้สำลิกหรือว่าทําให้สําสเร็จผลได้วิธีปฏิหารนี่พวกเราก็รู้จักดีนะหรือการต่อมาปฏิสนาปฏิหารคือการสามารนกรับภัยใจได้ แต่ประกที่สมซึ่งวิจารณสารเสริอมดีที่สุดประเสริฐที่สุดก็คืออนุสาสนีปฏิหารคือปฏิหารที่เกิดจากการเห็นคําเข้าใจทำเพราะว่าปฏิหารชนิดนี้เนี่ยทำให้คนทุกข์ได้อีก ท, ที่ปฏิหารไม่ได้ทําให้คนทุกข์เลยอาจจะทําให้มีลาภสักการะเยอะแต่ก็สร้างไม่มีธารมะกำกับ ก็จะหลงติดในรากสักการะแม้จะดำจินบินบนหอคอยอากาศได <c oughs> ้ก็ไม่สามารถจะเป็นิีระเป็นไทยได้จากราบสักการะกับท้มลนแสลงหาผลควายเพื่อรับสักการะอย่างที่เราได้เห็ น, นจากเกจิอาจารย์หลายท่านที่จริงไม่ต้องดูอื่นไกลพระเทวทัพก็ปเป็นตัวอย่างของคนที่มี่ที่ปฏิหารเสร็จแล้วก็ ไม่สามารถที่จะเป็นไทเป็นสระจากกิเลสตัณหาได้ถึงกับ ค, คิดคิดคดแยกตัวเพื<ม>่อเป็นใหญ่แทนพระพุทธเจ้าในขณะที่คนอื่นเนี่ยพระญาติคนอื่นเช่นพระอานนท์พระพัทยะ แมกระทั่งน้องสาวคือนางธินทพาทุโสธราท่านหลังนี้เนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ว่าพระเทวทัลตลุนแต่ ล, ลกนะการมโนรรเพราะว่าไป็นมติเกิดที่ปฏิทารในขณะที่พร ะ, พระญาติคนอื่นหรือแม้กระทั่งคนใช่คืออุบาลีอนะุบาลีในแต่ก่อนเป็นคนใช้เป็นช่างกระเบกแล้วเมื่อมาบวชพระก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ถ้าเหานี้เนี่ยพ้นทุกข์ได้เพราะอนุาสาวริปัติหานมันเป็นปฏิหารอย่างไรมันเป็นปฏิหาเราเพราะว่าแม้ว่าเจอความเจ็บความปวดเจอความพลาดพลาดสูญเสียเจอคำต่อว่าด่าทอใ น, นคำว่ากล่าวจิตใจก็เป็นปกติได้แม้ความเจ็บปวดจะบีบคั้นให้กลายเป็นทุกข์แต่ว่าใจไม่ป็นทุกข์แม้เวลาที่ความตายจะมาถึงจิตใจก็ไม่หวันหน่นไหว ความแก่ความเจ็บความป่วยและกทั้งความตายก็ไม่สามารถทําให้ใจเป็นทุกข์ได้ที่นําศซ้ำธรรมะที่เกิดจากอนุสาวนีย์ปฏิหารนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่ทําให้ออชนะความแก่ความเจ็บความตายได้อีกที่ปฏิหารเนี่ยไม่เคยช่วยให้เอาชนะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้เลยที่จริงการที่หลวงพ่อ ได้ละสังขารด้วยด้วยอากาศที่สมบนะอย่างเทตมาได้เล่าอันเนี้ยมันเป็นปฏิหารได้นะมันเป็นปฏิหารไดนะ้เพราะว่าคนที่กำลังจะตายจากไฟแต่ว่าไม่มีอาการทุรนทุราทั้งที่หายจันท์นทนไม่คยออกนะสงบนิ่งได้สมยติว่าความตายทำอะไรไม่ได้อันนี้ถ้าเราไม่ออกปฏิหารแล้วเราจะเรียกว่าอะไร แต่เป็นปฏิหารที่ดูเปินๆก็ดูธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เหนือเหนือมนุษย์ไเหมือนกับการขอมเปิดๆลังกาการกหายตัวอาตมานี่อยู่กับหลวงพ่อคำเข็นมาสามสิบกว่าปีนะไม่เคยท่านไม่เคยเห็นท่านเนี่ยนะพูดหรือว่าชื่นชมนะ หรแสดงให้ถูเลยนะเรื่องอิทธิปฏิหารเนี่ยท่านมีแต่สอนธรรมะล้วนๆและเป็นธรรมะขั้นแก่ธรรมไม่ใช่สอนเท่านั้นไม่ใช่สอนด้วยคำพูดทนั้นแต่ว่าทําให้ดูด้วยให้เห็นด้วยทําให้แต่ละขณะแต่ละนาทีของท่านเนี่ยมันเป็นการแสดงธรรมเป็นการแสดงภูมิจิตภูมิปัญญาหรือภูมิธรรม ถ้าหากว่าเรารู้จักไคร่ตรองพิจารณาผมงพอท่านได้พบประสบด้วยตัวเองนะว่าแม้กระทั่งแค่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวนี่นะมันก็ช่วยได้เยอะยิ่งกว่าอธิปติาหารคาถาคมสลวงพอท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านบวชใหม่ปีครั้งนงะท่านก็ไปพักอยู่ใน ในป่าปลายจากของเพื่อนก็จะเป็นที่วัดป่าวิทยาตอนนั้นท่านได้รู้ธรรมจากการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดวั <c oughs> นหนึ่งเนี่ยก็มีคนตายเป็นโจรผู้ร้ายที่ถูกยิงว่าจะพบศพนี้ศพมันก็ขึ้นอื่นแล้ว ก็มีการเอาร่างของผู้ชายคนนั้นเนี่ยใส่โล่แล้วก็เ็านะไม่เผาแต่เกาฝังก่อนที่จะฝังเนี่ยก็เปิดเปิดฝาโลงหลวงพ่อท่านก็ไปดูเพราะว่ามันใกล้ๆกับที่ท่านาปักรลดก็เห็นศพนีนนะ่ขึ้นอื่นพอมันหลายวันแล้ว เงื่อเอาสมเนี่ยจอดลงไปในหลงหลงพ่อบอกว่าขอฝาลงเพราะว่าท่านจะไปทำเป็นเตียงที่จริงไม่ใช่เตียงทุอแคร่ขอฝาลงเขาก็ให้ฝาลงท่านท่านก็เอามาเอามาขัดเอามาถูเพราะมันมีน้ำเหลืองนะมันมีกลิ่นแล้วก็ามาขัดมาถูมาแช่น้ำเป็นเยือนนะ จนกระท่านคิดว่าเออพอใช้ได้แล้วก็เอามาเอามาเอามานอนแต่ว่าป่าที่นั่นมันชื้นเพราะฉะนั้นพอชื้นเสร็จเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นกลิ่นมันโชยมาในอาทิตย์ท่านเนี่ยจำวัดถ้าพอได้กลิ่นทีไรเนี่ยนะท่านก็จะนึกเห็นหน้าของเห็นหน้าของศพซึ่ดงดูน่ากลัความกลัวเกิดขึ้นกับท่านแล้วพอท่าน หลักไป <Yeah. S 1> ท่านก็ฝันว่าฝันถึงศพของผู้ชายคนนะั้นซึ่งเน่าเหมน็นแลวศพนั้นเนี่ยก็กลิ้งมาหาท่านแล ก, กลิ้งม า, าท่านเนี่ยท่านทำยังไงท่านก็ท่องคาถาคมอันนี้ในฝันนะท่องคาถ า, าคม <Yeah. S 1> พอท่องเสร็จศพนั้นก็กลิ้งกลับไป แต่พอท่องเสร็จมันก็กลิ้งเข้ามาอีกท่านก็ท่องเพื่อให้สมนั้นเนี่ยกลิ้งออกไปเป็นเงี้ยสองสาครั้งเนี่ยความกลัวเกิดขึ้นนะแต่ว่าสักพักพก็ตื่นขึ้นมาแล้วท่านก็สร้างจังหวะพอความสุขตัวกลับมาเนี่ยนะให้ความกลัวให้กลิ่นเนี่ยมันหายไปอันท่านเล่าเหี่ยท่านจะบอกเราว่า ให้คาถาพรมเนี่ยนะมันช่วยไม่ได้เท่าไหร่มันช่วยได้เป็นครั้งเป็นคราแต่สู้ความรู้สึกตัวไม่ได้ไม่ใช่ว่าท่านตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยฝันร้ายมันหายไปเปลา่าความกลัวก็ยังมีแต่ว่าพอสร้างจาําหวะเนความกลัวมันก็ละลายหายไปเป็นอากาศสัทธาถ้าวท่านบอตั้งแต่นั้นเนี่ยไม่มีความกลัวเลยอันนี้คือช่วงที่ท่านปวดใหม่ๆนะภาษาสองภาษาแรก มันเป็นทางหอที่เหมือนกันจะบอกเราว่าอย่าไปฝากความหอมให้กับพวกคาถาคมความสึกตัวนี่มันกระเสริฐแล้วะความสึกตัวนี้ก็ทําให้ท่านเด่นพบทมขั้นสูงเพราะว่าเมื่อความสึกตัวมันมีสติเมื่อมีความสึกตัวมันไม่มีความหลงก็ช่วยทําให้จิตนี่สามารถจะเห็นความจริงของกายและใจ จะเห็นแจ่มชัดเห็นความจริงของกายและใจไปลาดับไปลําดับไปจนกระทั่งสามารถที่จะปล่อยวางสิ่งทั้งปวลได้เพราะรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั่นเนี่ยสิ่งที่ยึดถือนั่นเนี่ยมันเป็นแค่มายาภาพหลวงพ่อท่านบอกเสมอว่าเหมือนกับคนที่เคยแต่ก่อนเนี่ยดูคนเล่นมายาโกนมันก็หลงเชื่อนะ ในมายาคนนั้นมายากลคนนั้นเนี่ยเอากระต่ายขึ้นมาจากดึงกระต่ายขึ้นมาจากกระเป๋าหรือว่าสามารถที่จะถ่าตัวให้แยกเป็นสองท่อนได้หรือว่าทําะไรให้มันหายได้คนก็เชื่อแต่ว่าพอมารู้เทคนิคของนักมายาคนนั้นเลยเนี่ยมายากลคนนั้นหลอกไม่ได้ต่อไปมันจืดชืดไปหมดเลยมไม่มีความตื่นเต้นแล้วนะ การที่ท่านได้เห็นทำจนกระทั่งเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นตัวตนเป็นตัวผูเนี่ยมันก็เป็นแค่ไมายากท่าที่เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาจิตปรุงแต่งขึ้นมาแต่แท้จริงเนี่ยมันก็เป็นของรวมของรวมท่านสามารถจะเข้าใจความจริงขัานปรารถนได้แล้วก็มันก็วางนะมันไม่มีความตื่นเช่นอะไรต่อไปก็ ค, คือว่าเห็นอะไรเนี่ยมันก็วางได้แต่ก่อนเนี่ยอันนี้ว่อเทียนท่าอธิบายก็เหมือนกับว่า เวลาเห็นอะไรเนี่ยไม่ว่าทงตาวุฒมุ่งเนี่ยทางทกายและใจตาวุฒมุ่งลิใจใจมันส่วนทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกับดินเหนียวที่ขั้วงไปที่ขั้า่งข้างฝาแล้วเนี่ยมันติดแต่ว่าพอปฏิบัติธรรมถึงที่สุดเนี่ยดินนันไม่ใช่ดินเหนียวแล้วนั่นเป็นดินธรรมดาคว้า่งไเนี่ยมันก็ไม่ติดข้างฝา หรือถ้าเทียบพูดด้วยคำหมายของทุตเจ้าถือว่าเหมือนกับใบบัวที่น้าเนี่ยฉาไม่ติดน้ำมันออกลงมาน้ำฝนตกลงมามันก็ไม่ติดใบบัวไม่ติดอะไอันนะนี้คือสภาวะจิตของผู้ที่ถึงธรรมอย่างที่สุดเนี่ยทีเด็ดก็แตกเก้นไม่ไนะ้แล้วก็ไม่ติดในรูปลดปิดเชิงสัมผัสอันนะี้ มันเป็นปาฏิหาริย์เป็นอนุาสาวรีปาฏิหาริย์เกิดจากการที่ได้เข้าถึงธรรมหลวงพ่อท่านเมื่อได้เห็นธรรมรู้ธรรมเนี่ยท่านก็พยายานที่จะสอนผู้คนให้ได้เห็นอย่างท่านบางเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คนถุนท่านก็ตามหลวงพ่อเทียนไปสรางที่ต่างๆสุงแค่กลวงพ่เทียนจก จะขอหรือสัง่งจากมึงเลยไปขอนแก่นวัดโมกแล้วก็จากขอนแก่นวัดโมกก็มาวัดชนระทานปีหนแปแล้วจากนั้นก็มาวัดสนามนายที่จริงหลวงหล่ลอเทีนท่านเจอวัดสวนแก้วก่อนนะแต่ว่าตระลามก็ให้ อ, อ, อาุพ่อพิยมาวัดสวแก้วแล้วหลพอเทียนท่านก็มาที่วัดสนามนายแล้วก็หลพ่อคำเขินก็อยู่ช่วย ก็ทเทียงและท่านก็ประทับใจนะที่มีคนกลุ่มเนี่ยมาวัดมาปฏิบัติธรรมวัดสนามนายพินแปดเนี่ยมันเป็นชนบท น, นะ <c oughs> เคยไปวัสนามนายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรถรถที่ใช้รถเตยสารเนี่ยมันก็ใช้รถที่เราเห็นในหนังเรื่องปู่อีสาน ร, รนะรถแบบโคตรถล่ม โอตรธารบทเนียแบ่งนั้นแต่ว่ามันมีนายน้มที่จะมีคนมีนักศึกษามาปฏิบัติธรรม ท, ที่ที่วัดสนามไนมากขึ้นหลวงพ่เอเจนก็อยากจะตั้งใจจะปรับหลังหรือพัฒนาวัดสนามไนใ ห, ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับคนในเมืองเพราะหลวงพ่อเจมม์ก็ ม, มีนาโน้อมในทางที่จะเอาธรรมะเนี่ยไปให้คนในเมืองมากขึ้นเรื่อยๆจากวัดโมกหลวงเน มาวัดสนาไหนเมืองนนซึ่งตอนนั้นมันก็อยู่ใกล้กับมันก็อยู่ใกล้กับสะพานสังทีจันลุงพ่อคำเขียนเนี่ยแทนที่จะปักหลับที่วัดสนาไหนหรือไกลหน่อก็วัดโมกขันอย่างที่หลวงพ่อเทียนแนะนำท่านกลับคิดในเรื่องอื่นๆท่านเลือกที่จะมาปักหลับ ที่นี่บนหลังเขาภูโคงซึ่งตอนนั้นเนี่ยธุระกันดานมากไม่มีถนนขึ้นมาจากแกล้งคอต้องปีนขึ้นเขาอาตัตมาจําได้ว่าตอนที่มาครั้งแรกปีสองสามเนี่ยแม้กทั่งรถจากแกล้งคอมาปีนเขาเนี่ยรู้สึกจะมีเที่ยววัดลเที่ยวฉะนั้นนี่ยมีแค่วัดละเที่ยวอะไรทําให้หลวงพอ่อเลือกที่จะ มาปักหลับนะบนหลังเขาที่แสนจะไกลและทุรกันดารเข้าถึงได้ยากทั้งๆ ท, งที่ท่านก็มีที่ทาที่จะไปเจ้าครูบาอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านอยู่ที่ทนนะั่นก็คือกรุงเทพหลวงพ่อคำเขียนจะบอกว่าในการที่คนกรุงเทพเนี่ยเข้าวันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ท่านว่าคนดีนี่ไม่น่าห่วงแต่สิ่งที่น่าห่วงคือคนที่ไม่เข้าวด คนที่ไกลวัดแล้วท่านเห็นว่าเนี่ยบนหลังเขาเนี่ยมันไกลวัดไกรวัดไกรธรรมะมีวัดเหมือนกันนะั้นแต่ว่าพระนี่ทา่านคงไม่ค่อยสนใจสอนท่านชอบเล่นว่าวหลวงพ่อจำเขรยน ว, ว่าตอนที่มาที่นี่ปี20เนี่ยตามคำนิมนต์ของญาติโยมเนี่ยวัดนี้นะหนึ่งปีร่วมกันนะเพราะว่าเจ้าวัดคนก่อนเนี่ยตัดต้นม้เพื่อจะเล่นว่า ท่านต้องมาปลูกต้นไม้นะขึ้นมาจะท่านเป็นป่าทีวันนี้คือพระท่านก็ไม่ได้ทําหน้าที่ของท่านเพราะนั้นจะเรียกว่าคนคนหลังเาทานี่ไกลวัดไกลธรรมะหลวงพ่อเนี่ยเป็นนึกถึงคนเหล่านี้อยากจะมาช่วยสงเคราะห์คนชนบทนีที่ไกลธรมรมะไอ้คนกรุงเทพเนี่ยนะไกลธรรมะ้วเข้าวัดกันมาเป็นประจำท่านไม่เค่อยห่ท่านห่วงคนในชนบท และนี่คือทำให้ท่านเนี่ยมาเริ่มมาปักหลักที่นี่แต่ปักหลักของท่านก็ไม่แปลว่าท่านไม่ได้ลงไปลงไปช่วยหลวงพนัส น, นะหลวงพ่อหลวงพเขียนที่ท่านคอนโทรลหลพ่อเถียนมากและหลวงพ่อเทียนจาราวิทยท่านทําอะไรเช่นไปสอนที่ไหนท่านก็ไปไปทิ้งหัตถใหญ่ทึ้นมาไปแต่ว่าพอเสร็จธุระแล้วท่านเข้ามาและการที่ท่านขึ้นมาบนหลั ง, งเขาเนี่ยพ่อเทียนไม่เห็นด้วยเลยนะหลพ่อเทียบอกว่าท่านพูดหลายครั้ง บอกว่าจะมานลอยู่ในป่าเมืลิงข้างได้ยางไงจะมาหมอยู่ในป่าเมืลิงข้างอย่างไรคนธรรมะคนุธธรรมะก็ต้องไปสอนคนไม่ใช่มาสอนลสอนข้างท่าพุทธกา้จนาลย์นี่แต่หลวงพ่อคำเขียนท่านเป็นตัวของตัวแ ม, แม้ว่าท่านจะความรกบกวนพระเทียนมากท่านเคารพมากแ้กะทั่อนท่านป่วยบันทึกธรรท่านหลายตอนทจะพูดถึงพเียนด้วยความเคารพด้วยคว า, ามซาบซึ้งท่านเรียกเกินว่าลูกิษยองพรเทียน ทานเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อเทนมีธรรมนาพาไม่มีวันตายท่านไม่ได้พูดถึงเฉพาะลูกศิษย์ทั่วไปแต่กดถึงตัวท่านและท่านภูมิใจที่เป็นลูกศิษย์พระทิศ ท, ท่านเคารพหลว่อเทียนมากแต่ว่าในเรื่องบางเรื่องท่านเป็นตัวของตัวเองและท่านก็เรือกที่จะมาขึ้นมาบนหลังเขาซึ่งตอนหลังเนี่ยนะนก็เริ่มมีคนเริ่มมีขึ้นมา เป็นเวลาหลายปีทีเดียวนะที่ผู้คนเนี่ยเวลามาที่วัดป่าสุพโ ต, โตก็จะพูดคล้ายๆกันว่าทำไมตั้งวัดไก่เกินทาไมตั้งวัดไกเกิดเหมือนก็บอกว่าอยากจะให้ตั้งวัดไก่ใกล้ ๆ, ๆเพราะว่ามาลำบากแต่เดี๋ยวนี้จะมาว่าคนไม่ค่อยบ่นกันแล้วนะว่าวัดสุโ ต, โตเป็นไกล และสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นกาถือว่าผู้คนก็ทยอยขึ้นมาปฏิบัติศึกษาธรรมที่วัดป่าสุป โ, โตกันมากขึ้นอาตมาเชื่อว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเทียหลายคนเนี่ยคาดไม่ถึงนะว่าวัดป่าสุปโตเนี่ยมันจะกลายเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีคนขึ้นมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อสามสิบสามสิบกว่า 30, 30ปีก่อนเนี่ยมันนึกภาพมออกเลยว่า มันจะมีขนขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีถนนต้องปีนเขาขึ้นมาแม้มีถนนแล้วเนี่ยจากแกล้งคลอขึ้นมาบนนํามาถึงวัดป่าสุโตโตก็สองชัวง่วโมงสองชัวง่วโมงนะระยะทาสามสิกิโลแต่หลวงพ่อท่านก็ยังยืนจนัดนะที่จะทำวัดป่าสุตโตให้เป็นให้เป็นว่าสําหรับการปฏิบัติธรรมอาจารย์มช่วยเป็นเพราะว่าท่านมีสายตาที่ยาวไกล ่าสักวันหนึ่งเนี่ยคนกรุงเทพหรือคนใงเมือเนี่ยจะหนีร้อนมากรุงจงแล้วสิ่งที่ท่านและสิ่งที่หลายคนคิดว่ามันไม่น่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นผู้คนก็หลั่งไหลกันมาโทษทุกสารทิศมาที่วัดป่าสุตตโตมาเพื่อปฏิบัติธรรมมาเพื่อพบ ก, กับความสงบเย จ, จิตใจและเพียงแค่ท่านรักษาป่าให้รมครึมเนี่ย แค่นี้ก็มีผู้ประกาศเยอะแล้วก็หลายคนเนี่ยเวลามาที่วัดป่าสลบุโตเวลามามห า, าตรรมที่สารานาั้ได้พูดข้ า, ดางใต้กเลยว่า ม, ม, มันร่มรื่นมาเป็นความสุขที่เขาสัมผัสได้และอาจจะเป็นสิ่งที่เขาโหยหาก็ได้หลายคนอาจจะไม่รู้ตัวอต้องการความสงบรู้แต่ว่าความอย่ากขาด ไ, ไปจากชีวิต แต่พอมาพระป่าสุภโตเต้นแค่ชั่วโมงแรกเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าอ่อนสงบและก็จะได้พบว่าอ่อนี่คือสิ่งที่เขาต้องการคือความสงบที่ร่าสงบกายแต่ต่อไปก็จะพบว่าสิ่งที่เขาขาดจริงๆและต้องการมากคือความสมบใจและสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่คนเหนื่มเมืองขาดแต่้อจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่คือสิ่งที่ขาดแต่พอรั่วมันมีบางอย่างที่ขาดหายไปจากชีวิตทําำใต้องไม่มีความสุข แล้วก็จะมีเงินแล้วก็จะมีทองแม่จะมีความสุขในาาาการการจนกระทั่งเข้ามาถึงนี่เขาจะพบค่อยรู้ว่าอันนี้นี่คือสิ่งที่เขาต้องการดังนั้นก็คือเหตุผลที่ทําให้หลายค น, นี้ก็อย่างพวกเราก็เข้ามาสัมผัสนะทีแรกก็ความสมุบของธรรมชาติต่อมาก็พบ ก, กับความสมุบของธรรมอันนี้จะเรียกว่าเป็นการที่หลวก็มีสายตาที่ยาวไกลก็ได้ ถึงแม้ว่าทีแรกท่านจะไม่ได้คิดถึง่คนในเมืองหรือมาเท่ากับคนชาวบ้านแถวนีนะ้เพราะว่าท่าน อ, อยากจะช่วยสงเคราะห์เขาแต่ว่าทําไปทําไปนะอา น, นิสงส์แห่งธรรมะนะที่ท่านได้สอนได้แสดงก็แผ่ไม่ใช่แค่ชาวบ้านเท่านั้นที่ได้ไปรยชนแต่ว่าคนในเมืองที่รุ่มร้อนกายและรุ่มร้อนใจ ก็ได้มาสแงหาแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้พบกับสิ่งที่เป็นต้องการสำหรับพวกเราที่ได้มาได้ประโยชน์จากการมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุภโตหรือว่าว่างก่านั้นคือได้พบกับความสมมุบจากการได้ปฏิบัติธรรมตามที่หลวงพ่อได้สอนในชี้นะ เชื่อว่าพวกเราเราโชคดีมากที่หลวงพ่อได้ทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงใจจสติปัญญาเนี่ยเพื่อให้เราได้รับประโยชน์หากว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้ทุ่มเทอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะกลายยังมีกัยพวกที่เรากระเหิอนอยังต้องสแสวงหาต่อไป นั่นก็ยังเป็นในความถูกเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้พวกเราได้ไดใช้ประโยชน์จากสิ่งที่หลวงพ่อทิทธงเจให้ให้เกิดผลมากขึ้นถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะละจากพวกเราไปแล้วนแต่ว่าสิ่งที่ท่านสอนเราหรือสิ่งที่ท่านได้ทดํากันทุกอย่างมั น, นยังอยู่ไม่ได้ไปไหนและนั่นก็คือมรดกธรรมที่ พวกเราควรจะน้อมรับนำมาปฏิบัติและให้เกิดผลคำนี้ก็คอยอยุติการสแสดงคํรมต่างนี้